ต, ตาถาคตตวาตถาคตะสาวะเกวาสัททังปฏิละปฏินิวิทสัสโทนิวิทัปิโมเหกันตะคะโตอภิปะสนโนอีตังวุจติลาภานุตเรียงการได้สดทาในตถาคตหรือสาวกของตาถาคต ของผู้ที่มีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่บนบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งนี่แหละเรียกว่าการได้อันยอดเยี่ยมในเวลาเป็นยติสุดท้ายแห่งราตรีเรามาเริ่มวันใหม่ให้เป็นมงคลห ล, หลายวันรวมกันเข้า มันก็จะเป็นเดือนที่เป็นมงคลขึ้นมาหลายๆวันรวมกันเข้าเป็นหลายๆเดือนมันก็จะทำให้เป็นปีที่เป็นมงคลขึ้นมาเรามาเริ่มวันเริ่มเดือนเริ่มปีด้วยการทำจิตให้มีความสงบนั่นจะเป็นความเป็นมงคลท่านผู้ฟังจิตเราจะสงบได้ เรามาตั้งเสติเอาไว้ในตุวนกการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเรามาฝึกทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเล่นจะทำจิตให้มีความวิเวกได้ธรรมบุฟังต้องมีกำลังกำลังของจิตจะมาได้อย่างไรเป็นเบืบ้องใบเหมือนพื้นดินธรรมบุฟัง สัตว์ที่จะเป็นตัวใหญ่มากๆบนแผ่นดินใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้ก็ช้างสมัยก่อนกะบวกไดโนเสาร์เมันตัวใหญ่มากขนาดนี้มันยังยืนบนแผ่นดินได้หนักมากขนาดนี้แผ่นดินมันยังรับน้ำหนักของสัตว์ที่หนักๆป่า น, นั้นได้เพราะว่าแผ่นดินมีความมั่นคงไงท่้ฟัง มันคงชนิดที่ว่าสัตว์เหล่านั้นเดินหรือวิ่งแผ่นดินก็ยังคงเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมอาจจะสั่นวันไหวสะเทือนแต่ว่าไม่หายไปยังคงอยู่มีอยู่เรียกว่าเป็นการยืดยุนตามการรับแรงที่ส่งมาจะให้จีกขเรามีพื้นฐาน ในการที่จะตั้งขึ้นให้อยู่ได้ตัมูฟังกําลังของฉิต น, นั้นเราต้องมีศีลศีลเป็นเหมือนกับพื้นฐานนี่พื้นฐานประการที่หนึ่งศีลจะมีได้เราก็บบสมาทานศีลตอนนี้เลยเราตั้งใจรักษาศีลห้าสำหรับกฤหัตตั้งใจรักษาศีล8ปดสำหรับแม่ชี ตั้งใจรักษาศีลสิบสำหรับสามเณรตั้งใจรักษาศีลส2 7ีสิบสำหรับพระภิกษุสงฆ์ตั้งใจตอนนี้เลยตั้งใจตอนนี้แล้วศีลเราก็สมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องที่บานมาแล้วก็คือผ่านไปแล้วเอาตอนนี้สิกขาบทต่างๆเราให้ตั้งมัน มีสีนเป็นพื้นฐานดินมันจะแน่นได้ตัวฟังมันต้องมี g r a ิตี้แรงดึงดูดมันต้องมีสารประสานสารเชื่อมเช่นน้ำเช่นสารอะไรที่จะทำให้มันอยู่ตัวกันเป็นก้อนได้นอกจากสีนแล้วตัวฟังก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาจะเป็นตัวประสานทียบไวไวเหมือนกับน้ำข้าว เวลาเอาลูกสรที่มันโคดมันโกงมันงอมันไม่ตรงไปรดนไฟเพื่อที่จะให้มันร้อนแล้วก็เอาเข้าไปดัดกับไม้ที่มีลักษณะเป็นงามก็จะต้องเอาไปจุ่มลงในน้ำข้าวซะก่อนเพื่อให้มันประสานกันได้ไม่ให้มันหักไม่ให้มันแตก แต่มีน้ำข้าวเป็นตัวประสานน้ำข้าวนั้นเปรียบเหมือนศรัทธานั่นเองท่านผู้ฟังที่เราจะต้องมีอยู่ในการทำความเพียรทุกอย่างศรัทธานั่นจะเป็นพื้นฐานอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดศีลคนเราจะมาปฏิบัติตามศีลได้ต้องมีศรัทธาอย่งท่านผู้ฟังพี่มาเลือกฟังรายการธรรมรารุณในช่วงของจิตตวิเวก ที่เป็นการปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบหรือฟังในช่วงอื่นๆฟัง ท, ทุกวันทุกวันหรือฟังเป็นบางวันจะให้หูระมังเงี่ยฟังเรื่องอะไรที่ใจมันต้องมีศรัทธามาก่อนนะไม่งั้นมันจะมาฟังได้อยู่เป็นประจามันไม่ได้หรอกศรัทธาจึงเป็นตัวผลักดันให้เกิดแอคชั่นหรือการกระทำ การกระทําลงมือนั้นคือวิริยะจะมีวิริยะการลงมือทำได้ต้องประกอบด้วยศรัทธาศรัธานั้นท่านบอกว่ามีศรัทธาตั้งมัน่นมีความรักตั้งมัน่นบรรลุที่สุดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งได้ศรัทธาในตถาคตหรือชาวกของตถาคตแล้วนี่แหละเรียกว่า ลาภานุตริยะคือการได้อันเลิศธรราฝังเราจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาได้มันก็ต้องมีการลงทุนนะคุณจะได้ศรัทธาได้มันก็ต้องมีการลงทุนนะศรทัทนะ ธ, ธาหมายถึงความเชื่อภาษาทาหมายถึงความเลื่อมใสมีศรัท ธ, ธาตั้งมั่น มีความเลื่อมใสที่ตั้งมั่นจะให้เกิดศรัทธาจะให้เกิดความเลื่อมใสได้ทำอย่างไรเวลาเรามานั่งสมาธินี่ลหลายคนจะคิดว่าเออฉันจะเอาจิตที่เป็นสมาธิสมาธิเนี่ยก็เป็นข้อที่4ในเรื่องของอินสี่ห้าบาลาห้าบางค น, คนอกโอ้สมาธิมึงทีฉันไม่ได้ฉันก็ทำความเพียงกันแล้วกันความเพลี่ยนน่ยก็เป็นข้อที่2คือวิริยะ ในอินสีห้าในพละห้าบางคนบอกเออน่านฉันก็ได้ตั้งสติก็แล้วกันนะฮะฉันมาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธฉันมาระลึกถึงลมหายใจคืออาณาปานาสติก็เป็นการเจริญพุทธานุสติเป็นการเจริญอาณาปานาสตินั่นก็เป็นการเจริญสตินั่นก็เป็นข้อที่สาม ในอินรี่ห้าหรือพละหาหรือบางคนจะบอกว่าฉันก็ไครครวนผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเรื่องของกายกระตาสติให้เกิดปัญญาตั้งก็เป็นปัญญาไงเป็นปัญญาในส่วนของอินรี่หหรือพละห็าแล้วนั่งสมาธิมันเพิ่มศรัทธาได้ไหม ไม่ไม่ค่อยมีใครจะพูดถึงว่ฉันจะเพิ่มศรัทธาได้อย่างไรเด็กยุคใหม่สมัยปัจจุบันนี้นะทุกฝังไม่ค่อยมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจก็เป็นอย่างนี้ทําให้มีการแสดงออกมาในลักษณะที่ว่าโอ้ไม่อยากไปวัดเบื่อไม่อยากทําจะชวนไปวัดก็โอ้เบื่อเหนื่อยขี้เกียจ อิดอิดอด อ, อ, ก อ, อ, ก อ, อกหรือจะมาเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ความดีความชั่วอะไรมานตีไม่ฟังเราพูดจะเถียงอีกด้วยเออทำไมเขาถึงมีความเพียรน้อยคือไม่ใปหรือมีความเพียรที่ผิดคือเถียงกลับด้วยเหมือนกับประวัติศรัทธาน้อยไงศรัทธาก็จะมีผลต่อความเพียร ประเด็นที่สำคัญในที่นี้ที่เรากำลังมาพิจารณาทำกันอยู่เนี่ยก็คือว่าเอาแล้วยังไงละ่ะทำสมาธินั่งสมาธิเนี่ยมันเพิ่มความเพียรเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาได้เฮแต่ละมันจะเพิ่มศรัทธาได้ไหมท่าบุฟังไม่ต้องดูอื่นไกลใกลเลยพูดเนี่แล้วพระมหาภัยบณ์ สมัยก่อนเป็นคนไม่มีศรัท ธ, ธาตัมฟังไม่มีศรัท ธ, ธาไม่ก็อ ย, อยากจะเชื่อในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่มีออกมาในทางที่บบบว่าผินเพียนด้วยจำ้ำสิงที่พูดเรื่องอิทธิปัฏหานนั่นนี่เถียงมันจะเป็นไปได้อย่างไงนั่นนี่นอนโลกสวรรค์เราไม่เห็นมิเตอร์ไม่มีวัดส่องกล้องไปดูไม่ได้จะไปมีได้อย่างไร คือศรัทธาน้อยคำถามก็คือว่าเอาลท่านมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรศรัทธามาได้จากสามทางท่านุฟังเหมือนกับเราจะได้น้ำข้าวมาได้นี่นะคุณต้องมีข้าวมีน้ำแล้วก็มีความร้อนต้มกันแบบนี้ประกอบกันออกมาเอาแต่น้ำเราก็ได้น้ำข้าวออกมา น้ำข้าวเนี่ยเอาไปรดต้นไม้โอ้ตอนเย็นๆนะอย่าเอาตอนร้อนมันดีกว่าน้ำธรรมดาอีกนะมันเป็นเหมือนกับหัวเชื้อที่จะบำรุงต้นไม้ได้เป็นปุ๋ยได้อย่างดีหรือลูกศรที่เป็นงอเอามาจุ่มน้ำข้าวบริเวณนั้นเอาไปดัดไปงอแล้วมันก็ไม่แตกไม่หักช่วยประสานได้เปรียบกันเข้ามากับในจิตใจของเราว่า ถ้ามีศรัทธาเอาไปช่วยประสานให้เกิดความเพียรเกิดสติปัญญาต่างๆตามต่อมาได้อย่างดีรถลงไปแล้วเนี่ยผลออกมาให้จิตของเราเติบโตขึ้นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นวันนี้เรามาพิจารณาธรรมะตั้งมาฟังพิจารณาธรรมะในหัวข้อเรื่องของศรัทธาเจริญธรรมานุสติ ศัทธาเวลาท่านพูดถึงท่านก็จะอธิบายถึงเรื่องของพุทธโทธตโมสังโฆให้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บทพยัญชนะที่ท่านกระบุวไว้ในเรื่องพุทธโธธโมสังโฆ ว, ว่ามีศรัทธาชนิดที่เป็นนิวิธทธะสัตโธคือศรัทธาที่ตั้งมันเหมือนแผ่นดินที่รับน้ําหนัก ของไดโนเสาร์ของช้างได้เวลามันหมุนตัวนี่นิวิตาเนี่ตัวเราเวลายืนอยู่บนพื้นที่ไม่มั่นคงมันก็จะหมุนตัวไม่ได้มันจะล้มมันจะควา่าคุณจะหมุนตัวได้พลิกเท้าไปมาได้พื้นนี่ต้องมั่นคงต้องระดับนั้นเลยชัฏตาเปรบไว้หรือภาษาถ้าความเลื่อมใสก็ต้องเป็นระดับนิวัตา ไปโมเหมือนกันอนะ่ะหมุนตัวแนละ้วมันต้องมั่นคงตั้งอยู่ได้ความมั่นคงของศรัทธาความมั่นคงของความเลื่อมใสศรัทธาภาษาทะรศรัทธาคือความเชื่อใช่ไหมภาษาทรคือความเลื่อมใสใช่ไหมจะให้เกิดได้ด้วยการฟังให้เกิดได้ด้วยการศึกษาศึกษาอะไร ก็ศึกษาที่ตามบอกนี่แหละบอกมาโดยพระพุทธเจ้าบอกว่าไงนะอิติปิโสพววระกวารางสัมมาสัมพุโตเฮ้ยฉันก็สวดได้ทำไมศรัทธามันยังไม่เต็มหวิชาเจรินสสัมปนโนด้วยนะคนนั้นแล้วสวดได้อยู่ท่องได้ด้วยการศึกษามันจะไม่ใช่แค่ว่าการต้องจำไงทตกบ่ฟังจะให้เกิดความเชื่อ ให้เกิดความเลื่อมใสไม่ใช่ว่าอาศัยความรักความพอใจนะอย่างสมมุติว่าเราพอใจนักการเมืองคนนี้กลุ่มนี้เออเขาเคยช่วยเหลือเราเออเราก็พอใจเขาอยากให้เขาได้มาเป็นผู้นำเลือกขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมีศรัทธาความเชื่อมีความเลื่อมใสโดยอาศัยความรักความพอใจ ที่เขาทำอะไรให้เราเราก็พอใจดีใจกับเขาอันนี้ไม่ใช่ศรัทธาที่จะเป็นแบบนิวัตถะเลยมันจะมีความคลอนแคลนมีความไม่มั่นคงเพราะอะไรก็อาศัยความรักความพอใจไงความรักความพอใจมันเป็นเทือกเดียวกันกับพวกปัญหาความทยานอยากซึ่งมันไม่มั่นคงมันเป็นเหมือนดินเลน หรือว่ากองทายแต่คุณปักเสาลงไปยื้อว่าจใจมันมั่นคงโอเคตอนปักลงไปมันอาจจะยังอยู่อยู่ยังไม่มีอะไรไปกระแทกกระเทือนมันแต่พอลมพัดมารงแรงเท่านั้นแหะหรือไปกระทบมันนิดหน่อยเท่านั้นแหละล้มความเลยเฮ้ย hey, ดูเหมือนมั่นคงดีป่ะแต่ล้มความเลยเวลามีอะไรมากระทบเพราะนั้นอาศัยความรักความพอใจ ความรักความพอใจแล้วให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสมันจึงไม่มั่นคงไงบูฟังมีอะไรมากระเทือนแล้วมันก็หวั่นไหวคลอนแคลนเดี๋ยวนะก็อย่างสาวพวกทั้ไหลายเขาก็มีความรักความพอใจในพระพุทธเจ้าป่ะอย่างบางคนพอใจเสียงเป็นพวกโคศกประมาณิกาบางคนพอใจรูปเป็นรูปป่าประมาณิกา โอ้อาศัยสองอย่างเนี่ยก็เคลิล้มในพระพุทธเจ้าละโอ้ก็ตัวอย่างเช่นพระวกลีนั่นดิเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้พอใจในรูปบารมบางคนก็พอใจในเสียงฟังเสียงพระพุทธเจ้าแล้วก็เคลื้มไปเลยแล้วก็เกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสในสิ่งนั้นวันนี้คือเรานึกย้อนกลับมาในชีวิตประจําวันของเรานะทวาง เมื่อที่เราฟังคำพูดของใครสักคนใดคนหนึ่งไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักบวชนักการเมืองนักวิทยาศาสตร์คุณครูอาจารย์เกื่อนฝูงนักธุรกิจหรือว่าเด็กคนใดคนหนึ่งเขาพูดอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราฟังดูเราพิจารณาดูถ้าเราชอบเออเราก็จะเลื่อมใสเขาพอใจเขาใช่ปะละ่ะมีความชอบมีความเลื่อมใสพอใจ มันจึงคล้ายๆกันไปตรงนี้จึงจะทำให้เกิดความสับสนเอพอคล้ายๆกันไปแล้วันมีศรัทธาเลิวฉันก็ตามเข้าไปมันก็มีความเพียนไงการลงมือทำคนนั้นก็จึงเป็นผู้นำขึ้นมาได้เป็นผู้นำในทางให้เกิดการกระทาไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งประเด็นที่สำคัญในที่นี้คือว่าถ้าศรัทธาความเชื่อภาษาถ้าความเลื่อมใส เกิดจากความรักความพอใจมันไม่มั่นคงท่านฟังมันจะไม่หมุนแล้วให้คงอยู่ตั้งมั่นได้หมุนนี่หมายถึงมีอะไรมากระทบอย่างแรงๆนะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นสต้าหายเลยนะเราคิดว่าจะเป็นการได้อันยอดเยี่ยมคือลาภานุตรยะได้สตธาแล้วเอาแต่สต้าทำไมหายไปเพราะเวลาที่มีอะไรมันมาหมุน มากระทบศรัทธาให้ได้จึงมีโทษของความเลื่อมใสที่เราต้องระวังเพราะอาศัยถ้าศรัทธามาจากความรักความพอใจสิ่งที่จะมาหมุนกระทบให้ศรัทธามันคลอนแคลนคลื่นไปได้เนี่ยมีหประการท่านผูฟังพระพรทชาอธิบายไว้ว่าด้วยโทษของความเลื่อมใสที่เราเอาไว้ในบุคคล ทแทนที่เราจะมีความมั่นใจความเลื่อมใสในระบบถ้าเราเอาไว้ในบุคคลอาศัยความรักความพอใจความเลื่อมใสนั้นจะมีโทษได้สิ่งที่จะมาหมุนกระเทือนให้ความเลื่อมใสมันคลอนแคลนไปทันเกินไว้ถึงความทีิวติถ้าเกิดอาบัติอันใดอันหนึ่งขึ้นกับบุคคลที่เราเลื่อมใสนั่นแหะแทนที่จะเลื่อมใสในระบบใช่ไหม แต่ว่ามาเรื่อมใสในบุคคลแทนแล้วเราไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในพระสัทว ธ, ธรรมได้ไม่ฟังธรรมก็จะเสื่อมจากระบบของธรรมะคือพระสัตธรรมไปนอกจากบาถ้ตบุคคล น, นั้นมีอาบาตแล้วท่านยังกล่าวเตือนถึงเรื่องการลาสิกขาไปการตายไป มีอธิกรณ์เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง5อย่างที่มากระทบในบุคคลที่เรามีความเชื่อความเลื่อมใสจากความรักความพอใจเราจะกระเทือนใจมากเลยทกฝัง่งกระเทือนใจเพราะอะไรเพราะมันหมุนแล้วไงมีสิ่งมากระทบนี่เรายืนอยู่บนแผ่นดินหมุนตัวไปหมุนตัวมาแผ่นดินจะมั่นคงรองรับได้ไหมหรือเสาปักไว้ บนดินไม่รู้ว่าเป็นดินเลนหรือเป็นทรายหรือเป็นดินเหนียวไม่รู้หละแต่พอมีอะไรมากระทบแล้วมันยังคงอยู่ได้ไหมไม่ล้มตึงไปไหมสั่นไว้ก่อนแคลนไหมถ้ามันไม่มั่นคงนะทุกังมีเรื่องราวแบบนี้มากระทบแล้วนี่มันจะไม่ได้ฟังทำไม่ได้จะเข้ามาหาสู่ระบบแห่งความถูกต้องของประสตทธรรมได้ เพราะว่าเราดันฝากความเชื่อความเลื่อมใสไว้ด้วยความรักความพอใจและในบุคคลไงอยากจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและระบบสักนิดหนึ่งตัวฝังเพราะว่าจะให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสต้องอาศัยการศึกษาศึกษาแล้วจะเกิดปัญญานั้นจึงเป็นตัวแปรที่หนึ่งตัวฝัง ในสามข้อที่กับประชากล่าวไว้ว่าจะมีศรัทธาได้หนึ่งต้องอาศัยปัญญาปัญญาอะไรปัญญาในการเห็นไงปัญญาในการทำความเข้าใจไงปัญญาในการฟังไงศึกษาแล้วจะเกิดปัญญาปัญญานั่นแหละจะให้เกิดศรัทธาปัญญาให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ใช่ระบบบุคคลไดบุคคลหนึ่งบุฟังชนักการเมืองชาวบ้าน หัวคะแนนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านคนข้างบ้านเราถ้าเขาทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราพอใจใช่ไหมให้เรารักให้เรายินดีเออเราจะมีความเลื่อมใสในตัวเขานั่นขึ้นมาทันทีนี่มันมาด้วยกันนะความเลื่อมใสก็อาศัยความพอใจความรักความยินดีไงความเลื่อมใสสะสมไปก็เป็นความเชื่อเป็นศรัทธาไงแล้วมีในบุคคล น, นั้นนะ่ะมีในระบบนั้นนะ่ะ มีในสิ่งนั้นน่ะถ้าเรามีความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาในระบบหรือสิ่งใดหรือในคนใดอาศัยความรักความพอใจนะนั่นไม่ใช่การได้ที่ดีเลยเขาบอกว่าเป็นการได้ที่เลวเพราะว่าถ้ามีศรัทธาในบุคคลที่มีทิฏฐิที่มันไม่ตรงตามสัมมาทิฏฐิคือไม่ตรงตามระบบแต่เอาฝากไว้กับบุคคลบ้าง ฝากไว้กับความรักความพอใจบ้างนั่นไม่ใช่การได้ที่ดีเลยเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มเลยคิดว่าเหมือนจะคุ้มนะแต่เนี่พอมีอะไรมากระทบละ่ะมันจะหมุนไปเนี่วน้ำมันก็เลยคว่ำเลยคิดว่าจะฝากชีวิตไว้ได้นะแต่พอถึงเวลาเอา้าคว่ำเลยหายจ้อยเลยล้มตึงเลยจึงเสื่อมจากพระสัตยธรรมได้ ความแตกต่างจากบุคคลของระบบก็คือว่าตัวบุคคลถ้าเอาพระพุทธเจ้าเล่นบอกว่าอิติปิโสรพระกวารังสัมมาสัมพุทโธตรงไหนนะคือเขาหรือพระาธาตุหรือจีวรหรือบาดของพระพุทธเจ้าเอามีแต่การตรัสรู้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้บุคคลนี้ย จึงมาตรัสสรูอนุทราสัมมาสัมปวิยานเอาการตรัสสรูนะทุกังไม่ไเอาที่ตัวบุคคลคือตัวพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องพูดถึงสิ่งของของท่านด้วยสิ่งของของท่านมีที่อยู่ของท่านมีบาดมีจีวรหโอ้ยหรือนี่หายหมดแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนหรือต่อมาป้อนี่พระธาตุพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยทำไมมันเป็นแก้วใสหรือเป็นเพชรอะไรแบบนี้ ไม่รู้ละ่ะมันมาเงี้ยท่นก็ยังไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าจริงๆนะที่ว่าจะให้มีความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาทะหรือถ้าบอกเรานั่งทําให้ชินไปปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านได้เลยนะย้อนกลับไปลโอ้โหนี่พระพุทธเจ้าจริงๆแลยเนี่ยมีฉับพนารังสีนั่งอยู่ที่นี่แล้วกุณบาไปรรกราบมับม่บๆที่บนหลังเท้าของท่านนี่ก็ถือว่าหลังเท้าของท่านนี่คือพระพุทธเจ้า นั่นก็แค่กายเฉยๆประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเน่านี้ไม่ใช่ที่ตัวบุคคลนะบ่าวฟังแต่ว่าที่การตรัสรู้นั้นการตรัสรู้ยังอยู่ไหมตัววันนี้ยังอยู่นะตัวท่านปรินิพผานเขาเผาแล้วบริการอะไรหาไม่เห็นแล้วแต่การตรัสรู้นั้นยังอยู่นี่คือระบบไงบ่าวฟังไม่ได้เอาที่ตัวบุคคลพูดโธไม่ใช่บุคคล แต่พุโทโธหมายถึงการตรัสรู้การรู้ถึงความเข้าใจเข้าใจในจิตใจเอานี่ปัญญาป่ะเออเงินถ้าคุณไม่ศึกษาถ้าคุณจะเห็นความแตกต่างไหมั้ยมันไม่ใช่ที่บุคคลนะแต่เป็นที่ระบบระบบในที่นี้คือการตรัสรู้มันต้องอาศัยการฟังการทำความเข้าใจด้วยปัญญาเหมือนจึงจะเกิด ตั้งศรัทธาไว้ให้ถูกที่ได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอย่าให้ได้ด้วยความรักความพอใจแต่ให้เกิดได้ด้วยจากปัญญาหรือในธรรมโอ้เงี้ยเอ้าองคุณย่าธรรมะธรรมะเนี่ ย, ก, ย, มมมมยก็คือที่เขียนไว้ตามตัวหนังสือนี่แหละแล้วก็ถ้าใครทำผิดจากตัวหนังสือนะโอ้โเนี่ยศาสนาเสื่อมแล้วยาลดไม่พระองค้นก็ทาไม่ดี เนค่คนนี้ก็ทําไว้แย่บ้าโฉบ้าสิกาทําไมเป็นอย่างนี้ไม่ปฏิบัติตามธรรมเมื่อวานคนพูดนั่นแหละทุกฝังมานั่งเถียงกันด่ากันออกทีวีเถียงกันเรื่องอะไรก็เรื่องศาสนาเนี่ยแหละคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อีกบวกหนึ่งก็ขึ้นยูทูบกันเลยไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้น เถียงกันนะไม่ใช่่ากคนคริสหรือคนอิสลามเถียงกับคนพุทธนะคนพุทธกับคนพุทธนี่แหละเถียงกั น, น, นะ น, ก น, น, กนมึงตีดา่อกันให้ร้ายกันนินตากันแล้วก็ประหัตประหารกันมันก็เริ่มจากด้วยวาจาก่อนทิ่มแทงกันด้วยหอคือปากหนักเข้าหนักเข้าก็ลงมือลงไม้ตอนแรกๆก็ใช้อาวุธที่มันไม่มีคมซะก่อน เช็นกำปั้น่อนไม้หรือก้อนดินต่อมาก็เริ่มอาวุธมีคมละะบางทีใช้มีดใช้ดาบใช้ปืนบางคนฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าไม่ลงกันเรื่องคำสอนนั่นนี่นะเพราะคนที่ว่านับถือศาสนาพูดนี่แหละฆ่ากันประหารกันทำร้ายกันเหมือนบราะอะไรก็คิดว่าที่ตัวหนังสือนั่ไงนั่ก็ส่วนหนึ่ง ถ้าเรามีความรักความพอใจในเนื้อหาของธรรมะด้วยความที่มันเขียนว่าอย่างเนี้ยคุณํำอย่างนั้นน่ะไม่ได้คุณต้องทําอย่างนี้นั่นคือคุณพลาดแล้วเลยความรักความพอใจตํางไมยึดติดยึดถือเป็นอุปทานแต่ว่าพุทธโทธธรโมสังโฆเนี่ยไม่ได้ให้ยึดถือโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ไว้ให้ เพื่อยึดถือไม่ใช่ยึดถือเป็นอุปทานยึดถืออาศัอะไรความรักความพอใจเท่าเดียวกันกับตันหามีตันหาแล้วจึงมีอะไรอุปทานอุปทานยึดถือในอะไรได้บ้างขันห้าได้หมดอะความดีมันก็ยึดได้ความชั่วมันก็ยึดได้ขันห้ามีทั้งสุขทั้งทุกข์ไงขันห้าก็ไม่เที่ยงมักแปะก็ไม่เที่ยงคุณยึดในมักแปะก็ได้ด้วยอุปทาน ก็ไม่จะยึดไม่ได้ยึดในความดีนั่นแล้วมันทุกขันดีเพราะความยึดถือมีที่ไหนความทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นเฮ้ยฉันว่าฉันต้องการปฏิบัติเพื่อให้ความสุขนะแต่ทําไมทุกเกิดอ่ะก็นั่นแหะสิแล้วทไมคนที่เขาเถียงกันด่ากันว่ากันนะเขาก็ปฏิบัติดีเหมือนกันนะเขาก็ว่าฉันก็เป็นคนพุทธฉันก็เป็นคนปฏิบัติธรรมแต่บอกเอ๊ะทำไมบ่าว่าทําเหมือนกับย้อแย้งกันนะแล้วก็เพราะว่าจิตใจมีความยึดถืออย่างนั้นฝังอุปาทานปืนตายก็มาจาก ความรักความพอใจในอันใดอันหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่ตัวพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นที่ตัวธรรมะต่ามาตัวไหนตัวหนังสือสอนอย่างนี้ต้งอตง อ, บบอย่างนี้ไตัวหนังสือไงตัวหนังสือระบบไว้อย่างนี้แล้วก็ถ้ามีความรักความพอใจแล้วมันก็ยึดถือต่อไปดา่ากันว่ากันธรรมะไม่ใช่แค่ที่ตัวหนังสือธรมฟัง ตัวนี้ก็เ ป, ปลี่ยนแปลงฟอร์แมตไปอีกนะหนังสือแล้วกว่ามีซีดีด้วยมีเสียงด้วยมีวิดีโอด้วยเราก็ยังรวมถึงซอฟต์แวร์โปรแกรมเท x กอะไรที่มันเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล Database ต่างๆเราก็คิดว่าเออฉันช่วยทำา database ช่วยทำหนังสือช่วยทำแผ่นซีดีเป็นการให้ธรรมะอูนั่นยังไกลเลยเอาใกล้เข้ามาหน่อยได้ไหมเอาที่จำได้ในสมอง จำได้นะว่าพุทธพจน์บทนี้ว่ายอย่างนี้อย่างนี้ต้องได้ด้วยทั้งที่มาเลขหน้าเลขข้อเล่มแรงต่างชัดเจนเป๊ะๆนั่นก็ยังไม่ใช่หทุกฝังมันอยู่ในสมองเฉยๆหรือบางคนเข้าใจบม ง, งายไปหนึ่งกันนะว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นอักขระมาเป็นคาถาบริกรรมลงไปนี่ก็เอาตัวอักขระไงบริกรรมคาถาไงเป็นเหมือนเวทมนต์ของพวกพ่อมดแม่มด เสษสรรปันแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้เป็นกาตาอาคมแลวก็ยังไม่ใช่เหตุกั่งแต่ธรรมะนี่หมายถึงสิ่งที่มันจะต้องเข้ามาอยู่ในใจของเราให้จิตมันซุมทราบอยู่ในธรรมะให้มันเข้ามาฉลมใ จ, ใจิตใจเป็นระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องระบบตรงนี้คือธรมโมระบบนะไม่ใช่ตัวหนังสือแต่เป็นระบบ ไม่ใช่เล่มไม่ใช่เสียงแต่เป็นระบบของการทำการปฏิบัติที่มันจะได้ผลนั่นคือธรโมฟังให้เข้าใจแล้วให้เกิดปัญญาปัญญาจะทำให้มีความเชื่อคือศรัทธามีความเลื่อมใสคือปรสสัทธะในธรรมะจริงๆได้ในระบบของธรรมะได้ไม่ใช่แค่ที่ตัวหนังสือ ที่เอกสารหรือที่ตัวซอฟต์แวร์โปรแกรมรูปภาพอะไรต่างๆไม่ใช่เกิดจากความรักความพอใจซาบซึ้งกินใจไม่ใช่แต่ต้องเกิดจากปัญญาอาศัยการศึกษาอาศัยการฟังฟังแล้วศึกษาแล้วเกิดปัญญาเราจะได้ศรัทธาศรัทธาความ เชื่อภาษาท่าความเลื่อมใสอันที่สามาบต่พดถึงสงสงหมายถึงหมู่หมู่อะไรก็หมู่พระสงค์นั่นแหละคนผมผมเหลืองนั่นแหละคือสงดีกว่า น, นะถ้าเพราะว่าเรามีความรักความพอใจโอ้เห็นผ้าเหลืองแล้วก็ซาบซึ้งใจดีใจมีคนบวช โอ้เขาบอกบุญบวยพระเอาร่วมด้วยดีชอบอนุโมทนาเลยถ้าบอกว่าเรารักพอใจในบุคคลเนี่ยที่โกนผมห่มเหลืองเนี่ยโทษมันเกิดขึ้นได้ไงเพราะว่าถ้าศรัทธาในบุคคลแต่ว่าสงฆ์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่โกนผมห่มเหลือ ง, องที่บึงบวชใหม่หรือเป็นครูบาอาจารย์บวชมาโอ้หลายสิบสิบปีแล้วดูแค่เครื่องแบบภายนอกเราก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่า เนี่ยเป็นสงแบบว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมหรือเป็นอริยะสงไหมเพราะว่าบางทีดูภายนอกไม่เรียบร้อยเป็นอริยะสง์ก็มีดูภายนอกเรียบร้อยอาจจะเป็นปุถุชนก็มีเอานั่ยคือสมมติสงแต่ถ้าบว่าเอาอริยะสงเลยจริงๆลนะ่ะเอาสมัยนี้มันยังมีไหมไม่ต้องพูดถึงก็ได้นั่นยกไว้เอาว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเลยอะ ที่บอกว่าเป็นอริยสงฆ์จริงๆเลยอ่ะไหล่มางแต่ท่านพระัญญาโกนัญญาจนถึงสุดท้ายเอาสุภัตะปริภาโชคบวชแล้วก็เป็นภิกษุสุภัตะเหล่านี้เป็นอริยสงฆ์อ่ะนั่นก็ยังเป็นภายนอกอยู่ท่ฟังยังเป็นบุคคลอยู่ถ้าเราจะมาเลื่อมใสในบุคคลมีทั่วได้นะอย่างท่านพระสารีบุตรปรินิพานไปเนี่ยอยคนที่เขา เอื้อมสท่านมีเยอะแยะบางคนก็ร้องห่มร้องไห้แล้วถ้าเพบว่าศรัทธาด้วยความรักแบบนั้นชถอะแล้วก็ท่านเกิดตายไปเนี่ยล้วก็ไม่ได้จะคบหาภิกษุเหล่าอื่นต่อไม่ได้เข้าใจในระบบแต่ติดยิตในตัวบุคคลจะไม่สามารถที่จะตั้งมั่นในพระสัตว์ทมได้เพราะอะไรเพราะว่าศรัทธานมันถูกหมุนไปแล้วมีสิ่งมากระทบคือท่านบุรุนิพานแล้ว เคลื่อนเลยศรัท ธ, ธาเพราะอะไรนะเพราะศรัท ธ, ธาความเชื่อภาษาทาความเลื่อมใสนั้นอาศัยความรักความพอใจมีสิ่งนี้มากระทบร่มาจึงวิ่งไปเลยหายไปเลยแต่ศรัท ธ, ธาความเชื่อภาษาท่ธธาความเลื่อมใสนั้นต้องไม่ใช่ด้วยความรักความพอใจแต่ต้องอาศัยประการที่หนึ่งคือปัญญาจะเกิดปัญญาได้ต้องอาศัยการศึกษา จะศึกษาได้ต้องอาศัยการฟังเราฟังเนี่ยทำความเข้าใจว่าสงนี่ไม่ใช่แค่ว่าคลผมห่มเหลืองนั่นสมมุติทสงไม่ใช่แค่ว่าอริยะสงแต่สงเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติเพราะว่าคําว่าสงจริงๆหมายถึงหมู่หมูอะไรเพราะว่าคำว่าสงหมูเนี่ยไม่ใช่กับฝูงก็ได้ฝูงแกะฝูงนกเขาก็ใช้สงได้ฝูงคนหมูคนใช้คํานี้เลย เราเอาเฉพาะหมู่ที่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาจึงเรียกว่าภักควาโตสาวะกะสังโคสาวกหมายถึงผู้ฟังคําสอนไม่ใช่ว่าเอาคําสอนของใครก็ได้นะแต่เราจ่อจงเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคภกควาโตสาวะกะสังโคแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้ที่ฟังคําสอนแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ไม่เราเอาเฉพาะ หมแห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเรื่องออกจากทุกสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะสามีจีปฏิปันโนนั่นแหละคือมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาการปฏิบัติตรงนี้มาตั้งเป็นต้นขึ้นมาเอาการปฏิบัติไม่ได้เอาที่ตัวบุคคลแต่เอาระบบระบบของธรรมะคือตรมโอยใช่ไม ระบบนั้นเอามาปฏิบัตินั่นคือสุปฏิปันโนในที่นี้พูดยยอๆว่าสังโฆเพราะฉะนั้นพุโทโธธรรมโมสังโฆทั้งว่งจึงไม่ใช่ที่ตัวบุคคลพระปิชาญนี่เคยออกกฎข้อนี้ไว้ด้วยนะทั้งั่งว่าถ้าใครทำให้บุคคลมาศรัทธาในตัวเองโดยไม่ได้ให้ศรัทธาในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ การกระทำแบบนั้นชื่อว่าประตุสารสกุลหมายถึงทำสกุลเนี่ยเขาให้เสื่อมไปการทำให้เกิดศรัทธาในตนเองไม่ใช่ให้เกิดในระบบตัวอย่างมีล้วในสมัยพุทธกาลใช่ไหมทายาให้เขาเป็นผู้ให้เขาเออเขาให้แบบรบกวนท่านเอานี่ไปให้ที่นั่นหน่อยอ้าก็จะทำให้ยาโยมเขาพอใจไงให้เขาพอใจให้เขารักอันนั้ พเดทุศรายสกุลละเพราะว่าทำให้เกิดความรักความเพอใจในตัวของบุคคลเองหรือว่าการทาน้ำมนต์ก็ตามน้งระวังทำน้ำมนต์แบบว่าเสกเป่าให้ในลักษณะที่จะให้นับถือในตัวเองนะแต่ถ้าทำน้ำมนต์โดยอาศัยระบบคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทำตอนแสดงรัตนสูตรอันนี้ถือว่ายังให้เกิดสถานในระบบอยู่ คือน้ำมนต์อย่างที่ว่า น, นี่คือที่พวกพราหามเก็ทำไงท่านผู้ฟังเขาจะมีการเสกการเป่าการัรทำพิธีอะไรของเขาที่จะขึ้นอยู่กับตัวอาจารย์เลยละ่ะโอ้น้ำมนต์จากอาจารย์นี่วิเศษมากน้ำมนต์จากอาจารย์นั้นวิเศษมากอันนี้คือพวกพ ร, ราหมณ์ก็ทํากันในสมัยนั้นก็ เ, เป็นการให้เกิดสถานในตัวบุคคลซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกันที่ประสงค์ในพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาสวดมนต์ทำน้ำมนต์เนี่ เขาเรียกว่าน้ําพระพุทธมนต์คืออาศัยพุทโธธรรมโสงโคเป็นพื้นฐานของการตั้งจิตตั้งจิตอย่างถูกต้องตามระบบน้ำมนต์นั้นก็จึงทําได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทำทีนี้ถ้าตั้งจิตไม่ถูกทําแบบที่พวกปรามธรรมมันก็จะกลายเป็นความงมงายให้เกิดการประทุสรายสกุล ผู้ที่รับน้ำมนต์จากพระเจ้าพระสงฆ์ใบนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ระบบเพราะศรัทธานั้นต้องเกิดในระบบไม่ใช่ตัวบุคคลระบบในที่นี้คือพุทโทธธรรมโมสังโฆไม่ใช่ตัวพระพุทชุชจ้าไม่ใช่อาการาอะไรที่เขียนไว้ในะคือตัวธรรมะไม่ใช่ว่าคนคนผมหุ่มเหลืองเท่านั้นแต่เป็นพุทโธคือ การตรัสรู้ธรรมะคือระบบแห่งความถูกต้ อ, องพระ ธ, ธรรมสังโฆคือการปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบถ้าเรามีศรัทธาในระบบนั้นเราแก้ไปได้ละเปราะหนึ่งท่านผู้ฟังให้เรามีศรัทธาความเชื่อภาษาท่ความเลื่อมใสโดยอาศัยปัญญาไม่ใช่เกิดในตัวบุคคลแต่อยู่ในระบบ ระบบของพุโทธโธธรรมสังโกการได้ศรัทธานีนน้นั่นนะ่ะทับังเป็นการได้ที่ยอดเยี่ยมมากเป็นการได้ที่ดีมากๆเขาเรียกว่าลาภานุตรยะจะให้เกิดศรัทธาได้ทับวั ง, งประการที่สองติ่ที่พูดมาเมสุกครูนี่คือแค่ประการแรกคือเรื่องของปัญญานะจะมีศรัทธาได้ต้องอาศัยปัญญาจะมีปัญญาได้ต้องอาศัย การศึกษาจะมีการศึกษาได้ต้องอาศัยการฟังเหมือนที่เราฟังฟังอยู่ตอนนี้ไรครุ่นด้วยปัญญาจะเกิดศรัทธาไม่ใช่ในตัวบุคคลแต่ในระบบระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องนัง่นรรมะระบบที่ใช้ถึงการตรัสรู้นั่นคือพุท ธ, ธะระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นคือสังฆะส่วนประการที่สอง พี่จะมาสนับสนุนปัญญาของเราหรืว่าปัญญาแล้วจะให้เกิดศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเลื่อมใสในระบบของพุทโทธรโมโอสังโฆได้จุดที่ว่าศึกษาให้เกิดปัญญาฟังให้เกิดการศึกษาศึกษาและการฟังเนี่ยสิ่งที่จะต้องเนื่องกันมาคือต้องมีกระเลนมิตร ให้เราได้ฟังธรรมมีโยนิโสมนาสิการให้เราได้ศึกษาใกล้กรวนประกอบกันมาฟังกลัลยาณมิตรให้เกิดการฟังธรรมะนี่คือมาจากสิ่งภายนอกกลัลยาณมิตรเน้นอาจจะฟังจากพระพุทธเจ้าส่งต่อมาเป็นตำรราคัมพีอ่านหรือกลัลยาณมิตรจะเป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงค์มานั่งเทศบอกสอนให้ฟัง หรือกัลายามิตรจะเป็นเพื่อนเราเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันมาให้ข้อมูลหรือจากสิ่งภายนอกประกอบกับสิ่งภายในคือการโยนนิสโสมนสิการของเราฟังไงภายนอกใช่ปหศึกษาไงภายในใช่มั้ยออย่างนี้จึงเป็นประการที่สองที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดปัญญา เปัญญาแล้วงนะเกิดศรัทธาไงอาศัยการฟังอาศัยการศึกษาด้วยกัลยาณมิตรและโยนิโสมาสิการประกอบเป็นกับปัญญาจึงจะเกิดศรัทธาได้กัลยาณมิตรนั้นคือใครคือบุคคลที่จะทําให้เกิดกัลยาณธรรมซึ่งบุคคล น, นั้นอาจจะเป็นคนโกลผมห่มเหลืองหรือเป็นเกเรดกรวาสรองเรือน หรือจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆดูผ่านทางซูมคุยผ่านทางโทรศัพท์หรือก็อาจจะแบบล่วงรับไปแล้วก็ได้ที่ืางที่เราอ่านประวัติของครูบาอาจารย์โอ้ท่านทำไมงี้ท่านพิจารณาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ที่ล่วงรับไปแล้วนั้นก็เป็นกรณีในมิติของเราหรือพระพุทธเจ้าก็ได้อะตัวพระพุทธเจ้าท่านล่วงรับไปแล้วแต่คําสอนท่านยังหลงเหลืออยู่ สูญหายไปก็มีที่เติมเกินขึ้นมาก็มีเอาคาสอนที่เหลืออยู่นั่นมาเป็นกไลยณามิตรก็ได้กไลยนามิตรนั้นจึงไล่มาังแต่พระพุทธเจ้าเลยตัวเป็นๆหรือเอาคาสอนของท่านคือมรรคแดหรือเอาครูบาอาจารย์ประชา พ, พระสงค์หรือเอาเพื่อนเราอายุมากอายุน้อยได้หมดแต่ต้องมีกไลยนธรรม คนเรียนธรรมนั้นก็ต้องมีศรัทธานั่นแหละบุคคลนั้นก็ต้องมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะและมีปัญญาศรัทธาของคนอื่นบางทีก็มันเหนี่ยวนํำให้เรามีศรัทธาได้เช่นเราเห็นคนนี้เขาปฏิบัติธรรมเขโทุ่มโดยศรัทธาเต็มที่เลยเอเห็นแล้วเราก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นทำไมคุณถึงมีกําลังใจเพิ่มขึ้นกําลังใจหนึ่งคือวิริยะ อ่อศรัทธาเราเพิ่มขึ้นแล้วเลยไงเพราะเห็นความที่เขามีศรัทธาศรัทธาในตัวเราก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะอะไรนะกัลยาณมิตรเนี่ยทนูฟังเราฟังกัลยาณมิตรนี่ไม่ใช่แค่คําพูดอย่างเดียวนะเพืดีเห็นการกระทำของเก่านี่เขาสื่อสารเขาให้ธรรมะเนี่ยการให้ธรรมะนี่ยไม่ใช่ว่าให้ตัวหนังสือหรือแบบว่ามาพูดเปา่ปาๆใส่หูเราไม่รู้มันจะหลุดออกไปข้างหนึ่งบ้างหรือเปล่ามันคงอยู่ในสมองบ้างได้ไหม ส่วนที่คงอยู่ในสมอมันจะเข้าถึงสิ่ใจบ้างได้ส่วนหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่แค่นั้นแต่เขาให้ธรรมะด้วยการทําให้ดูนะทําให้ดูทําให้เห็นนั่นคือให้ธรรมะที่ถูกต้องจริงๆเราเห็นเขาดูเขาและคือรับมอบธรรมะจากเขามาศรัทธาของเขาเป็นของเขานะปัญญาของเขาเป็นของเขานะปัญญาของเขาจะมาเป็นของเรามันไม่ได้ศรัทธาของเขามาจีบให้ใส่ก้อนมาไม่ได้แต่เราเห็นเขาให้ศรัทธา ให้ปัญญาด้วยการทําให้เห็นว่าปัญญาเขาเป็นอย่างนี้สตกาก็เป็นอย่างนี้คุณจะรับได้ไหมจะรับได้มันต้องอาศั ย, ยนิสสมนัสิการนี่ไงมันไม่ใช่ว่ายื่นมือไปรับเหมือนสิ่งของแต่ฟังแล้วเห็นแล้วเขาให้แล้วเนี่จะรับได้ให้เกิดปัญญาของเราเนี่ยต้องอาศัยการศึกษาคือการโยนนิสสมนัสิกานี่เราฟังในเรื่องอยู่ในประการที่สองนะ ประการที่สองมีสข้อคือตรงการให้และการรับการให้มาจากการฟังมาจากกระไรนิมิตการรับมาจากการศึกษามาจากตรงโยนิโสมนสิการมีคนหนึ่งท่านมาฟังวิทยุของเขาเนี่มันเปิดไม่ติดเพราะว่าฐานมันหมดเขาก็เลยเอาฐานเก่าออกคนหนึ่งก็เลยเอาฐานใหม่หมาให้อ่อแม่แม่เนี่ยาฐานใหม่ ใส่ในวิทยุจะได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมะต่างๆได้แม่ได้รับ่านมาใช่ไะมานไปใายนี่แหละจะใส่ลงไปในข้เรื่องเล่นนะใส่ผิดด้านนะฟังมันก็เปิดไม่ติดไงอ๋อทำไมใส่ผิดด้านคือเธอไม่ฉลาดใส่กลับข้างกันมันก็ไม่ติดไงเหมือนเรารับธรรมะมาจากที่เห็นเขาทำให้ดูจากที่ฟังเขา บอกให้ฟังมันจะเอาเข้าในจิตใจของเราได้ไหมเหมือนใส่ทานไฟฉายกลับด้านมันไม่ติดนาฟังมาแล้วเห็นก็มีศรัทธาเห็นก็มีปัญญาถ้าเราไม่โยนิโสมนัสิกันเหมือนใส่เข้าในจิตใจเราไม่ได้โยนิโสมานสิกันหมายถึงการทำในใจโดยแยบขายมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อทุกัง จากหัวสมองมาเข้าสู่จิตใจของเราฟังผ่านทางหูเห็นผ่านทางตาดูว่าส่วนที่ลืมไปจําไม่ได้ก็มีล่ะส่วนที่จําได้อยู่ในสมองระหว่างหูเออมันก็มีใช้เข้าสู่จิตใจได้อาศัยอยู่นิโสมนัสิกานะุบุฟังอาศัยสติและโยนิโสมนัสิการสติในหมายถึงให้มันทรงจําได้อยู่ในระหว่างหูคือหัวของเราอยู่ในสมอง คุณระดึงได้คุณจำได้หนึ่งคือสติส่งส่งไว้ส่งส่งส่งส่งไว้ส่งไว้ส่งไว้อย่าให้มันหนีอย่าให้มันดิ้นส่งไว้ส่งดีๆตั้งจิตที่เป็นสมาธิเข้าไปอยู่นิมโฉมนาฏิกานมันจะทะลุจากสมองเข้าสู่จิตใจของเราได้ห่างกันแค่สองเดียวดูฝังจากหัวสมองมาหัวใจนี่นี่พูดถึงอาไว้ว่าใช่ไหม ในทางจิตนั้งห่างแค่ขั้นตอนเดียวสอกเดียวนี่คือแค่โยนิโสมนัสิการขั้นตอนเดียวโยนิโสมานัสิการด้วยสติทุกคุณทรงจําไว้ในสมองเข้าสู่ใจทันทีมันอยู่ในใจอยู่แล้วละ่ะสติก็อยู่ในใจสัญญาความจํานั้นก็อยู่ในใจมันจะเข้าสู่จิตทะลุทลวงเข้าไปต้องโยนิโสมานสิการถ้าพูดถึงต่างใจนั้นมันห่าง ก, กันน้อยกว่าแค่องค์ุรีด้วยซ้ําทะลุเข้าไปได้ด้วยโยนิโสมานัสิการ นี่คือประการที่2องตัมบูฟังประการที่สองคืออะไรนะฟังจบมาลน้นี่คือการฟังการศึกษาใช่ไหมฟังอาศัยการยามิตรให้เห็นด้วยให้ฟังด้วยเขาให้เรามาแล้วเราจะรับได้ไหมรับได้อาศัยการศึกษาของเรานี่ยคือโยนนิโศมนสิการเถัดมาประการที่3ามตัมบูฟังที่จะให้เกิดศรัทธาได้มันต้องมีเคสมีตัวอย่าง มีการนําไปใช้งานจะประโยชน์อะไรโดอที่ว่าฟังเทศแล้วก็โอ้โหแบบประึง ป, ปัญญามากๆเลยเรานําไปใช้งานได้จริงปะสามารถดับทุกได้จริงปะแต่ว่าธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่สามารถดับทุกได้จริงจะให้ดับทุก์ได้จริงจะดับทุกได้ดับที่ไหนนะผมคิดดูดีๆคำว่างจะดับทุกได้ดับที่ไหน คิดดูดีๆคิดดูดีๆจะดับทุกข์ได้มันก็ต้องดับที่ทุกข์ปะมีทุกข์สิคุณถึงจะดับได้คุณจะแก้ปัญหาได้คุณแก้ที่ไหนก็ต้องแก่ที่ปัญหาปะก็มีปัญหานั่นแล้วมันถึงจะแก้ได้ถ้าเราจะอธิษฐานขอว่าให้มีกําลังใจสูงให้มีปัญญาเราจะต้องตกอยู่ในสถ า, านการณ์ที่มันมีปัญหาต็มฝัง่งเราถึงจะสร้างปัญญาเพื่อแก้ปัญหานั้นได้ อธิษฐานขอปัญญามันก็ต้องมีปัญหาล่ะหรือถ้าเราอธิษฐานขอกําลังใจเอาโห้ฉันต้องมีกําลังใจสูงมันต้องมีความยากลําบากไงเดี๋ยวฟังมัอนถึงจะมีกําลังใจได้ให้เราตั้งมีกําลังใจสูงในความยากลําบากที่มันมากระตบนั้นอธิษฐานขอกําลังใจมันก็ต้องมีความยากลําบากมาด้วยหรือเราจะอธิษฐานขอว่าไอ้ฉันมีจิตเมตตาให้ฉันมีอุเบกขา คุณจะมีจิตเมตตาได้มันก็ต้องมีคนที่ทำให้เราไม่พอใจไงแล้วเราจะยังมีจิตเมตตาอยู่ได้ไหมมันก็มาด้วยกันกับคนที่ใจใเราไม่พอใจหรือเวลาเราจะเจริญอุเบกขามันก็จะต้องมีคนมาทำให้เรามีความกําหนัดรักใกล้รุ่มหลงคุณจะมีอุเบกขาได้ไหมอุเบกขามันก็เกิดได้ตรงที่มีความรักความกําหนัดความพอใจนั่นแหละพูดมาในที่นี้หมายความว่า เราจะดับทุกได้เราก็ต้องมีทุก์นั่นแหละทุกธรรมฝังท่านบอกว่าเป็นที่อิงอาศัยเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาเพราะว่ามรรคแปดธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดับทุกได้จริงก็ต้องมีทุกไงต้องมีปัญหาไงเหมือนถึงจะมีศรัทธาเป็นตัวเริ่มต้นของธรรมกระบวนการต่าง ศรัทธาต้องอาศัยทุกเป็นที่อิงอาศัยเป็นที่ตั้งอาศัยจะมีศรัทธาได้คุณต้องเห็นทุกเห็นทุกแล้วจึงจะเห็นธรรมะเหมือนมีความยากลำบากแล้วจึงมีกำลังใจเหมือนมีปัญหาแล้วจึงมีปัญญาเหมือนมีคนทำให้เราไม่พอใจแล้วเราจึงมีเมตตาเหมือนคนที่ทำให้เรามีความกำนัดรักใคร่ยินดีแล้ว เราจึงวางอุเบกขาได้มีปัญหาที่ไหนทางแก้อยู่ตรงนั้นท่ผู้ฟังมีเรื่องราวที่ไหนทางออกอยู่ตรงนั้นท่านผู้ฟังมีทุกอยู่ตรงไหนศรัทธาอยู่ตรงนั้นน่ะจะทํายังไงให้ศรัทธาเกิดขึ้นได้ในปัญหาต่างๆความทุกข์ที่มันมารุมมาตุ้มเราทุกนะจึงเป็นประการที่สมท่านผู้ฟังที่จะให้ศรัทธาเกิดได้คําถามคือว่าทุกวันเนี้ คนที่มันทุกข์มากๆเลยนี่นะไม่ว่าจะทุกข์เรื่องเงินดองทุกข์เรื่องครอบครัวทุกข์เรื่องเศรษฐกิจทุกข์เรื่องสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้ไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆปะกินกนะกหรือว่าใหญ่ๆเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะตายแล้วคนนั้นมันก็ทุกข์กันเยอะแยะเนะี่ทําทไมมันไม่มีศรัทธากันมากมายหล้นหลามเหมือนความทุกข์บ้าง่ เพราะว่าทุกที่ว่าเป็นที่ตั้งอาศัยตั้งอาศัยของสัทธาเนี่มันมีทางออกหรวยลายแยกไปได้สองทางตูบฟังทางแรกคือบุคคลที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วจะร่ําให้คร่ําครนทุบ อ, อกโชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพอว่าทําไมนาะทําไมนาะทุกนี้เกิดขึ้นกับฉันทําไมนาะทําไมน้อทุกนี้เกิดขึ้นกับฉันทุบอกอีก ทำไมน้ะทำไมน้ะทุกนี้เกิดขึ้นกับฉันที่พูดสามรอบเนี่ยในหัวมันวิ่งมากกว่านั้นอีกตำรวจมันวิ่งเป็นสิบยี่สิบรอบแล้ววิ่งมากขนาดนี้บันมากขนาดนี้ประสาทแดกมึนนี่เป็นโรคซึมเศร้าได้นะและกิว่าการปฏิบัติธรรมจะช่วยหายโรคซึมเศร้ายิ่งเป็นหนักกว่าอีกอย่างนี้มันต้องกินยาต้องหยุดคิด บุคคลที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วรำให้กลัำกรุ่นทุบบกชกตัวมีนะบงังออกแบบนั้นนะเยอะถูกความทุกข์รวบรัดแล้วมีความทุกข์อย่างลงแล้วนี่มันออกแบบนั้นก็ได้ส่วนใหญ่จะออกแบบนั้นนี่คือทางออกข้อแรกหรือทางออกประการที่สองท่านบอกไว้ว่าให้คิดใหม่ คิดใหม่ว่าแทนที่จะคิดว่าฉันอยู่ในทุกข์ฉันจมอยู่ในทุกข์แต่ทำไทุกนี้เกิดขึ้นกนับฉันคิดอย่างเงี้ยคิดไปจมอยู่ในทุกข์น่ยคิดใหม่คิดใหม่มีอยู่หรือไม่หนอใครนาะใครหนาทางไหนหนอหรืออะไรหนาที่จะเป็นทางออกของความทุกเนี่ยซักหนึ่งหรือสอวิธีคือเราตรีตรึกคิดนึกไปทางไหนนนะหวังสิ่งนั้น จะมีพลังแร้วจึงมันยกสิ่งนั้นสูงขึ้นมาเลยต่อให้มันน้อยก็ตามที่บอกเราทุกข์มากทุกข์มากเนี่ยพะเรายกมันสูงไงทำไมเราถึงยกมันสูงเพราะเราจ่อลองไปตรงนั้นไงความทุกข์มันจึงไหลท่วมไปหมดเลยทุกใ น, นจิตใจ เ, เรื่องงานอย่างเดียวไม่พอเรามาปล่อยที่บ้านต่อด้วยคู่ของเราก็ทุกข์ตามด้วยลูกก็ทุกข์ตามด้วยพ่อแม่ก็ทุกข์ตามด้วยบางคนมีทุกข์อยู่ในเรือนเมาทุกขมาปล่ยที่วัดอีก วัดเนี่ยเป็นที่ประราชประหารกําจัดกิเลสแต่ว่าก็เอากิเลสเนี่ยมาปล่อยทิ้ไงไว้ที่วัดเหมือนเอาหมาเอาแมวมาปล่อยที่วัดก็ไม่รู้เป็นยังไงเพราะเราตรีตรึกเรื่องไหนมากสิ่งนั้นมันมีพลังมันขยายต่อไปเช่นเดียวกันนะทุกฟังปัญหาถ้าเราจ่ออยู่กับปัญหาปัญหาไม่มีทางออกหรอกมันก็จมอยู่ในปัญหาแต่ปัญหาจะมีทางออกอยู่ที่ปัญหาใช่ไหมเรามาจ่อตรงขอบขอบทุกฟัง ที่มันจะขยายออกไปเรื่องอื่นดูสิใครน่าจะรู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเหมือนขี่จักรยานนะ่ถ้ากลัวล้มคุณลุกขึ้นขี่ไม่ได้หรอกแต่เรามาจออยู่ตรงจุดที่ว่าจะทรงตัวได้ไงจะทรงตัวได้ไงมันจะล้มมันตรงนั้นแหละแต่มันจะทรงตัวได้ไงเราไม่ได้ไปโฟกัสหรือเอาตรงที่มันจะล้มเพราะมันจะล้มเนี่ยมันคือตรงจุดที่ว่าคุณโฟกัสไม่ได้แต่จุดที่มันจะล้มจะล้มนั่นแหละคุณโฟกัสได้มันไม่ล้มไง ใครเนอจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครเนาะใครเนออะไรนอจะเป็นทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองอย่างหนึ่งในอย่างนั้นต้องเป็นศรัทธาตั้ฟังเราเฉนได้ว่าโอ้โหนี่ไงคำสอนของพระพุทธเจ้าไงว่าเนี่ยจะเป็นทางออกของความทุกนี้โภมปัญญาเกิดขึ้นดันดีเพราะอะไรอาศัยทุกไงธรรมะจึงเกิดทรรมหนึงรร่งที่นี้คือ ปัญญาอาศัยอะไรนะทุกง่ายเห็นอะไรเนี่ยด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อคือศรัทธาด้วยความเลื่อมใสคือปาาัษสัทะรวมกันเป็นความมั่นใจว่าทางเนี่ยคือทางออกแต่มันยังไม่หายนะก็ ค, คือยังไม่ออกจากทุกง่ายเหมือนกูได้แผนที่มายังเดินไม่ถึงกูมั่นใจไม้มว่าแผนที่เนี่ยไปถึงจุดนั้น กูดูตาม Google แมพไงมันจะไปถึงที่นั่นถิงไปไม่ถึงดูดูกันกูจะเชื่อปะนั่นสิจะเชื่อไหมจะมีศรัทธาไหมจะมีความเลื่อมใสมีความลงใจแล้วมั่นใจรวมกันนะเพราะที่จะเดินไปได้ก็ทําไมเดินมันก็ไม่ถึงไงมันจึงต้องมีความมั่นใจรวมกันอาศัยความเชื่อคือศรัทธาอาศัย ภาษาท่คือความเลื่อมใสรวมกันเปนความมั่นใจแล้วเกิดการลงมือทำาโดยการทำจริงแ น, แน่จริงอาศัยอะไรปัญหาตน่มีนี่แหละทุกที่เรามีอยู่ทุกจึงเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัท ธ, ธามีเหตุคือทุกศรัท ธ, ธาจึงเกิดได้รวมกันกับปัญญาและรวมกันกับกัลยาณมิตร และโยชนนิโสมานสิกานสามอย่างนี้จะทําให้เกิดศรัทธาได้ดูวังเราใช้การนั่งสมาธิใกลครวร น, นี่คือโยนิโสมานสิการใช่ไหมฟังทำรรนี่คือมีพระมหาภัยบุญเป็นกัลยาณมิตรฟังแล้วเรารับได้ไหมโยนิโสมานสิการมาให้เกิดปัญญา ดูตรงไหนทุกที่เรามีนี่แหละนั่งอยู่เฉยๆมีทุกไหมมีทุกคือกายของเรานี่แหละทุกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีอยู่ณปัจจุบันนี้มีทุกอยู่ทุกวันนี้การที่จิตของเรามันเคลื่อนไปรู้สิ่งนั้นรับสิ่งนี้วิญญาณการรับรู้ น, นั่นแหละเป็นทุกการได้ฟังคือหูจากเสียงที่มากระทบ สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์รถอาหารก็เป็นทุกข์แสงภาพก็เป็นทุกข์ตาก็เป็นทุกข์จมูกเป็นทุกข์หมดทุกข์มีอยู่เฉบาบหน้าอยู่แล้วจะเห็นไหมเห็นได้ด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้มันจะมาหลอหลอมรวมกันดูฟังให้เกิดความมั่นใจมั่นใจในระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องนั่นคือธรรมะ ไม่ใช่แค่ตัวอักขระไม่ใช่แค่องความรู้แต่เป็นระบบมั่นใจในการตรัสรู้ไม่ใช่ที่ตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่ที่บริขารของท่านพระทัยของท่านแต่เป็นระบบของการตรัสรู้นั่นคือพุโทโธมั่นใจในระบบแห่งการปฏิบัตินั่นคือสังโฆไม่ใช่ตัวบุคคลคนผมห่มเหลือง แต่เป็นระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องมีศรัทธาคือความเชื่อมีปสัสสาท่าคือความเลื่อมใสรวมกันเป็นความมั่นใจในระบบคือพุทธโทธธรรมโมสังโฆทุกจะตั้งอยู่ไม่ได้ท่านฟังอะไรก็ผ่านได้หมดทุกจะมาขวางเราเป็นภาระให้เราไปต่อไม่ได้ เป็นก้อเรื่องการกั้นขัดขวางไม่ได้เลยด้วยระบบนี้จะทะลุทะลวงไปหมดจะตัดความยึดถืออุปทานหมดมีพื้นฐานที่แน่นคือนิมิตะสัตโตหมุนยังไงก็ไม่ไปเป็นเหมือนเสาเกลือนเสาหลักที่ฝังลงแน่นอย่างดีเสาเรเนียร์คือสตาร์ทุวฝังไว้ผูกอะไรก็ได้ผูกจิตของเราก็ไม่หนีไม่หาย สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์และพ้นจากภัยต่างๆได้ตัวฝังเราเริ่มวันใหม่ด้วยศรัทธาเราเริ่มปีใหม่ด้วยศรัทธาที่มีมูลรากมีพื้นฐานมายอย่างนี้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งเดือนทั้งปีที่จะมาถึงนั้นเป็นมงคลแน่นอนในช่วงของ จิตตับวิเวกนั้นจะมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีหถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือกายกองกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhai.song.co ขาพเจปาพระมหาภัยบูร อาพี่ปุญโนจากวัดป่าดอนหายโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุรินทร์น